สังฆาตุชนพุทธบริษัท 10 มิถุนายน 2532 ก็ 7 แต่ความจริงเรื่อง ตัวพระภัทรบอกว่าต่อไปโอกาสจะที่ 6 มาตอนนี้มาเล่มที่ 7 ร่างกายก็ดีขึ้นมาบ้างไอ้ที่ต้องถึงมัน ก็เป็นนั้นว่าเรื่องการป่นเค้าผ่านไปคนฟังจะเบื่อทุกคน มาในและก็วันรุ่งขึ้นวันปัจจุบัน 2532 แล้ว 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 มาที่รับแขกพอดูผล ต่อมาวันที่ 9 มิถุนายน 2532 มาเป็นพระชื่อ แต่ก็ 40 เศษ 50 ยืนล้ํา 4-5 ฟุตประมาณ 6 ฟุตได้มายืนเฉย 10 นาทีจน นักบุญประจําเอ่อประจําสํานักนี้นักบอก 20 พฤษภาคม พ.ศ. 1532 อาตมาก่อนจะ แล้วก็ดู 19 พอเห็นเห็น 20 อีก 40 รูปร่างทรงท้วมลักษณะท่าทางไม่เหมือนคน <c oughs> การจริงเรื่องการภาวนาและพิจารณานี้เป็นคุณคน 2 คนที่คุณมีความรู้สึก แต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าคนจ้างคือใครและเขาจ้างทําเพื่ออะไรทั้งนี้ แต่นี้สงครามนอกก็มีคนสงเคราะห์มากขึ้นอาตมาก็ป่วยแก่แล้วไปไม่ไหวก็สงเคราะห์ภายในตั้งโรงเรียนขึ้นให้เด็กเรียนฟรีให้เสื้อกางเกงคนละ 2 ชุดให้อาหารการบริโภคให้หนังสือเรียนทุก อันนี้ก็ทําให้ฟรีทุก 19 พฤษภาคม 32 วันนั้นก็ โบสวงไม่เป็นวิธีกรรมที่มีผลโศลคนที่รู้ก็มีคนที่ไม่รู้ก็มีวิธีการที่มีผลมี <c oughs> แต่ความจริงภาพที่มาวันนั้นมันกับท่านสัมโภดีพรหมนี้เห็นชัดท่านนั่งอยู่ข้างหน้าตรงหน้าออกไป <c oughs> เจ้าอย่ามีโมหะนะการจริงเรื่องนี้ก็เคยคิดไว้ก่อน ถ้าคนคิดว่าคนน้อยจะทําอาหารเล็กน้อยคน เป็นอันว่าเข้าบรรนิเวศาลที่เตรียมไว้คิดว่าพร้อมแต่ความตื่นของใหม่ต้องขลักเป็นของธรรมดาแต่มันก็เกิดไม่พร้อมมีการขลักอยู่ว่างก็ทําใจได้ไม่ว่าไม่ได้โกรธใครเพราะ <c oughs> หมออาจารย์รวมกับปัญญาปัญญาอาตมาก็เล็กหญิงหญิงก็เลยไม่รู้จักชื่อจริงว่าอะไรกันแน่ไม่รู้ว่า เป็นเรื่องธรรมดาหมอจรุนนี่เมื่อเอ่อหมอแสงโสมแสงโสมปิยะยะ <c oughs> มาให้น้ำเกลือแล้วก็ฉีด 1, มา 1 ชั่วโมงเสร็จๆก็ตื่นขึ้น เสยาละฉันช่วยหลับแล้วก็ฉีดยาให้หลับแต่มันก็ไม่ยอม ไอ้ร่างกายเอาจริงเอาจังอะไรไม่ได้ความไม่เที่ยงของมันตามปกติ <c oughs> ก็มีเสียงข้างซ้ายมือเรียกว่าหลวงพ่อ แกนําฉัตรทองคน 4-5 คนก็หายไปอาตมาก็ไม่ทราบว่าๆไปอีก <c oughs> ก็มีฉัตรทองคํา 5 ชั้นสวยงามมาก ความจริงยงไปยืนท่านตายไปนานแล้วท่าน 1 ชั่วโมงก็ตื่นประมาณ 3:00 น. ก็จีดยาหลับตอนตอนค่ําแล้วประมาณ น. มา, <c oughs> เป็นการป้องกันตัวอย่างดีที่ <c oughs> เรามังก็เลยบอกว่าวันนี้ตั้งแต่เวลา 2:00 เป็นต้นมานักเสยใส่เค้าทํา แต่คุณก็ยังตายไม่ได้เพราะเทวดากับแต่ว่าเวลารุ่งสว่างเค้าจะเลิกเวลานี้ก็ยังทํา วันรุ่งขึ้นก็มาขึ้นมาที่รับแขกก่อนจะไปก็มีความรู้ 40 ปีก็ พ่อแก่อายุเท่าไหร่แน่รูปร่างท้วมๆตามองไม่เหมือนชาว แต่บอกว่าที่คุณเข้าใจเนี่ยถูกแตแตแต 9 มิถุนายน 2532 เวลาบ่ายประมาณบ่าย 2:00 ก็มีคนแต่งตัวมันพระขาขวาไม่ค่อยดีนักเดิน แล้วก็หันหน้าบูชาอาตมายงเดินพนมมือตื่นตกแสกอยู่นั้นไม่ยอมว่าไหว้ไอ้ใช้เวลาตั้ง 10 นาทีกว่านะมันไม่ใช่ไหว้ ตามความรู้สึกของจิตวรรณิกนักศาสตรที่มาในรูปของ 3, 3, 3, 3, 3 ปีนี้ พอว่าถามขึ้นมามันปี 2223 3233 34 เคยถามว่าคุณถามแล้วผมไม่เข้าใจให้ถามใหม่เถอะถามซ้ําว่าผมมีงานอย่างหนึ่งต้องการจะต้องการสําเร็จ เคยมีความรู้สึกว่าคน 2 คนนี้ร่วมมือกันถ้าอาตมาบอกว่าป่วยอยู่ แต่ว่าใครจะยืนยันใครจะเชื่อ 2 ถนนเทศบาล 3 อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหมายเลขที่หัด วันที่ 26 พฤษภาคม 2532 กราบกราบธรรมสารการหลวง เมื่อ 25 เมษายน 2532 ที่ผ่านมา 4 คืนตั้งใจจะมากราบ ดวงดาวต่างๆพออ่านจบแล้วก็พอดี ผมตั้งใจไว้ว่าจะมากราบ คือนิทานเรื่องจูไรท่องดวงดาวในความจริงมันไม่ใช่ความว่าเรื่องธรรมะธโมก็ทํามาเยอะแยะแล้วเอาเรื่องเบาๆเรื่องเบาก็คือนิทาน แต่ว่าที่มรได้ฟังก็เดาๆแต่ก็เป็นการบางท่านก็ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ขึ้น 10 ค่ำ 6 ปีมาเส็งพอที่จะลงข่าวนี่ ข้อความ 2 เค้าเรียก 27 มีนาคมนี้ได้ ที่ไม่มีพืชพันธุ์ของ ซึ่งแสดงว่ามีสิ่งที่มีชีวิตเหมือนจะเป็นข้อความเตือนชาว เอาในมัซาโคไม่มีกรุงอาตมาเพิ่มกรุงลงไปเรายังไม่ทราบว่าผู้ที่ ตามอ่านทางข้อความก็แล้วกันนะ ดร. ปริชอปกล่าวต่อไปว่าข้อความ ถ้าเราสามารถส่งวิทยุติดต่อกับเขา อาวกาศก่อนหน้าที่เครื่องใจหยุดทํางานใน มีความยาวเครื่องใหม่และกว้าง 75 หลาตัวสรนิสลักไว้บนหินแข็งอย่างถาวรถ้าดูเหมือนจะสลัก ไว้ 2519 ฮินดีเห็นใหม่นี้เป็น คงจะเนื่องจากที่ อธิเสธที่จะพูดถึงโซเวียตมีแผนการที่ติดต่อกับดวงดาวอังคารอย่างไรแต่คณะรัฐบาลแถทินว่าโซเวียตได้เริ่มแผนงานนี้แล้วและมีนักอวกาศจากทั่วโลกหลายสิบคนได้เสนอที่ร่วม มันเป็นเรื่องที่มีการบังเอิญจริงๆบังเอิญที่จะมาพบกันกับเรื่องของอ่า ยกเว่นค้านกันก็แสดงว่าการเรื่องเป็นเรื่องนิทานอย่าถือ คนที่นั้นพูดภาษาอังกฤษว่าใครพูดภาษาอังกฤษจะรู้ภาษาอังกฤษอาหรับบรรดาญาติ